ดูก่อนพิสุทั้งหลายตถาคตประพฤติพรหมจรรย์ น, นี้เพื่อล่อลวงประชาชนหา ม, มิได้เพื่อเกี้ยกล่อมประชาชนก็หา ม, มิได้เพื่ออานิสงค์คือราบสักการะและความสันเริญก็หา ม, มิได้เพื่ออนิสงค์ คือการอวดอ้างวาทะก็หาไม่ได้โดยที่แท้ตถาคตอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ น, นี้เพื่อสังวรเพื่อละเพื่อคลายความกำหนัดเพื่อดับกิเลสสุตตันตปิฎกอังคุตระนิกายจตุกานิบาทเล่ม21หน้า29 ดูก่อนพรามณ์พรหมจรรย์ น, นี้ไม่ใช่มีลาบสักการะและความสันเสริญเป็นอนิสงส์ไม่ใช่มีความถึงพร้อมแห่งศีลเป็นอนิสงส์ไม่ใช่มีความถึงพร้อมแห่งสมาธิเป็นอนิสงส์ไม่ใช่มียานทัศนะเป็นอนิสงส์พรหมจรรย์ น, นี้มีเจโตวิมุตต์อันไม่กำเริบ เป็นประโยชน์เป็นแก่นเป็นที่สุดจากสุตันตปิฎกมัชิมะนิกายมุลละปันนาเล่มสิบสองหน้าสามร้อยสิบเจ็ด